ชาติแลขอดูแลคุ้มครองด้วยใจราชามวลประชาอยู่มาพ้นภัยขอ 9 ปี เพราะเราจะ 2ญญ า, อง, 20 จังหวัดภาคอีสาน 95 สถานีขอเชิญฟังรายการอีสานม้วนซื่น น. ฟังเรื่องๆมีสาระเพื่อการ วัณรีชาติเผชิญพานภัยไฟลูกชนขึ้นมาทุกคราขอเป็นคนที่เดินเข้ามาไม่อาจให้สายไปเพื่อนำรักกลับมาต้องใช้เวลาเท่าไรโปรดจงรอได้ไหมจะข้ามผ่านความบาด I'll <laughs> ผู้ฟังเวียนมาที่จังหวัดอุบนราชธานีขอต้อนรับ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 1341 กิโลเฮิรตซ์ คุณผู้ฟังคะสําหรับการจัดกิจกรรมความใน 3 ระยะด้วยกัน 2 ก็ โดยการตั้งสภาปฏิรูปการๆที่ 3 เป็นเวลาเดือนเสร็จๆแล้วที่ คสช. เข้า กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับค่ะก่อนอื่นต้องเรียนนั้นสถานการณ์ ภาคใต้ภาคกลางหรือภาคเหนือก็ตามกัน ไม่ได้อยู่บนหลักการของเหตุและผลแล้วไม่ได้อยู่บนหลักการของเหตุและ การนั้นการประการแรกก็คือเรื่องของความ ส่วนความขัดแย้งในเรื่องของทางสังคมๆกับ ของประชาคมอาเซียนก็ปฏิเสธทนงอย่างนั้น แล้วเราก็มาทําการปฏิรูประระระระ 3 ระยะอย่าง 1 ก็คือๆใน 1 นี้ก็ อารมณ์มีความรู้จริงๆกันเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นไม่ <ฆ. S 1> บางทีก็อาจจะอยู่เป็นเหตุ 2 ถึงเดือนเพื่อที่จะ เพราะว่าความขัดแย้งของคนเนี่ยขัดแย้ง เห็นประโยชน์ 1 <c oughs> นี้ก็ๆถูก 1 ที่เรียกว่าเร 1, 1> ก็คือได้ประชุม ทั้งพี่น้องประชาชนส่วนราชการต่างๆพี่น้อง ไปเอ่อตามตำบลหมู่บ้านต่างๆเพื่อที่จะทํา อ่าทําความๆๆๆไปซึ่งก็รวม 1 อยู่นะ <c oughs> อย 30 ที่ผ่านมา แนวทางๆก็คือต้องการให้เข้าใจถึงเหตุผลความ เลลัยๆเราควรจะหันหน้าเข้ามาแก้ไขปัญหากัน ค่อนข้าง 80 90% น่ะนะฮะประชาชนค่อนข้างที่ อยากจะเอาแต่หักกันต่อไปมันก็ไม่เกิดครับและที่สุดท้ายเสียมากที่เนี่ยเห็นเห็นพ้องแนวนี้ๆเนี่ย ว่าแนวทางนี้เป็นแนวทางที่ถูกต้องค่ะ ประการที่ 3 ก็คือตั้งคณะครับที่เรียกว่า ทั้งหมด 1 ปี 1 ครคร 2558 ครับ <c oughs> การปฏิรูปและก็การเลือกตั้งกัปตันครับใน นี่ท่านผู้ว่าจะวางเลยหรือเปล่าคะเรื่องๆนี่ จะแก้ไขอะไรครับซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศเนี่ย ประการที่ 1 คือบริการประชาชนอย่างดีประการที่ 2 <c oughs> 1> ผมเข้าใจว่าความรู้ เพราะฉะนั้นขณะกระทบ 2 เพ ก็แก้ไขปัญหาด้วยขณะเดียวกัน ขณะเดียวกันก็ได้ขอครับเพื่อสร้างความอุ่นใจเพื่อสร้าง เอ่อใกล้ชิดกันความหมายก็อย่างงั้นนะครับ อ่าเห็นทราบมาว่ามีว่าจังหวัดอุบลราชธานี อุบลนี่เป็นเมืองศาสตร์และเมืองศิลป์ผู้ ในการที่จะนําไปสื่อสารแก่พี่ วันนั้นพรรคเราจะจัดชุดนี้ไปเพื่อไปบริการ และจังหวัดๆต่างๆ มันไม่ค่ะอยากจะขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะ คืออย่างนี้เป็นต้นครับการปรดดงสมานฉันนี่หลายงานณวันนี้จาก นะครับทั้งหมดนี่จากการสื่อสารการสร้างความเข้า นะครับได้ก็ได้เจอกันได้พูดคุยกันภาพเหล่านี้ไม่ นะจากการที่ยิ้ม คือคืนความสุขให้แผ่นดินกับ จังหวัดอุบลราชธานีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสุขนั้นครับสวัสดี ประชามวลประชาอยู่มาพ้นภัยขอเวลา 8 น. ถึง 8:30 น. น. ฟังเรื่องราวดีๆ เราจะทําตามสัญญา อาชรสามวิตผูก FM 90.25 MHz สวัสดีครับ